ตื่นเช้ามาก่อนที่จะฟังพระธรรมเราก็มาร่วมเจริญอนุสติใช่ตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติตามระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมเรียกว่าธรรมานุสติระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์เรียกว่าสังขานุสติอนุสติสามอย่างนั้นเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธานะเป็นที่ตั้งแห่งการตามระลึก แห่งกุลบุลรบนนรตลลนนรทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศรัทธาทีนี้การตามระลึกสำหรับกุลบุตรทั้งหลายผู้ประกอบไปด้วยศรัทธาอันนี้แหละเรียกว่าสติซึ่งสติเนี่ยนะตามอัตตะท า, าอัตสาลินีหรือตามเท่ากับมิลินทปปัญหาเนี่ยนะได้กล่าวถึงลักษณะของสติสตินั้นท่านบอกว่ามีลักษณะไม่เลอะเลือน หรือไม่ฟันฟนฟ่นเฟือนไม่ฟั่นเฟือนไม่เลอะเลือนถามว่าเหมือนอย่างอะไรเหมือนอย่างว่าขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดินะนะขุนคลังแก้วนะที่เรียกว่าตื่นเช้ามาก็ต้องมารายงานทรัพย์สินให้แก่พระเจ้าจักรพรรดิฟัง ว่าพระองค์นี้ทรงมีทรัพย์เท่านี้นะมีช้างเท่านี้มีม้าเท่านี้มีรถเท่านี้มีกองพลราบกองพลรถกองพลอะไรทั้งหลายก็มารายงานทรัพย์สินทั้งหมดถวายพระราชานั่นนะถวายเล่าให้ฟังชั้นใดก็ดีสติก็ชั้นนั้นเหมือนกันสตินี้จะคอยรายงานถึงทรัพย์สินที่เรามีอยู่นะเรามีทรัพย์อะไรกันบ้างนะมาทบทวนหนนะนับถือพระพุทธศาสนามีทรัพย์อะไรบ้างหนึ่งก็มาทบทวนว่า เรายังเป็นผู้มีศรัทธาอยู่นะนะมาทบทวนในะไม่ใช่ว่ารัพย์คือศรัทธาหายไปหมดแล้วไม่ใช่ก็มาทบทวนว่าเออรัพย์คือศรัทธาเรายังอยู่ซั์คือศีลเรายังอยู่ซั์คือหิริโอตตะยังอยู่ซั์คือสุตตะซัพย์คือจากคะรัพย์คือปัญญาเรายังมีอั้นสตินี่ทําให้ระลึกถึงอริยทรัพย์อย่างนี้แหลสตินี่ทําให้ระลึกถึงทรัพบว่านี้คือสติประฐานศนี่คือ สัมมาประทานสี่นี้คืออิทิบาทสี่อินรีห้าพละห้มมาโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดสตินี้เป็นตัวที่ทำให้ระลึกถึงคุณธรรมอย่างอื่นอีกอนิ ม, มนต์ทางนี้เลยครับนิมนตะ์นั่งก่อนครับนิ ม, มนต์นั่งเลยครับ นันธรรมชาติของสตินั้นเป็นธรรมชาติที่ตามระลึกนึกถึงอริยทรัพย์ที่มีอยู่วันนี้คือสติประฐานสี่นี้คือสัมมาประธานสี่นี้คืออิทธิบาทสี่นี้คืออินทรี่ห้านี้คือพละหา้านี้คือโพชฌงเจ็ดนี้คืออริยมรรคอันประกอบไปด้ยวยองค์8ซึ่งเป็นอริยทรัพย์ของเราทั้งหลายสตินั้นจะเป็นธรรมชาติที่ทําให้ระลึกถึงวันนี้ส ม, มถะของเรานี้เป็นวิปัสสนาของเรา ัการสวดมนต์เนี่นยนะการตามระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณเสื่งการระลึกถึงอนุสติเหล่านี้ก็เป็นการอบรมสติให้ให้สติเนี่ยระลึกถึงอริยทรัพย์ที่เรามีอยู่ในพระศาสนานี้ที่เราได้แบ่งปันมรดกเหล่านี้จากพระพุทธเจ้าหลายท่านอาจเคยได้ยินนะข้าแต่พระองค์ผู้สักกะพระพุทธเจ้านี้ชื่อว่าสักกะหรือสักยะสักกะหรือสักยะปแปลว่าอะไร แปลว่าสักยบุตรในที่หนึ่งในที่สองแปลว่าผู้มีทรัพย์มากในที่สามแปลว่าผู้องอาจอานะผู้มีความเพียรแกล้าแต่ที่ประทับใจคือสักกะแปลว่าผู้มีทรัพย์มากเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์นะไม่ต้องพูดถึงโลกิยทรัพย์นะพระองค์มีทุกอย่างแล้วแต่ทีนี้เน้นไปที่อริยทรัพย์เนว่าพราะองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์จริงๆทรัพย์ใดๆที่ไม่มีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสารนะก็เพื่ออะไรเพื่อขอแบ่งปันอริยทรัพย์มาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีทางไกลอันเดินสิ้นสุดแล้วใช่ไหมคือถึงที่สุดแห่งวัตตะแล้วแล้วเราทั้งหลายละ่ะใกล้สุดหรือยังทีนี้ถ้าเรายังต้องเดินทางไกลเนี่ยนะสำหรับคนที่ยังต้องเดินทางนี้ต้องอาศัยอะไรอาศัยทรัพย์เนี่ยนะ ต, ต้องมีทรัพย์ใช่ไหมจึงจะเดินทางได้ ทีนี้เราทั้งหลายยังต้องเดินทางเวียนว่ายตายเกิดจากคันสู่คันจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเราจะไปไหนยังไงจะไปใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเราจะอยู่อย่างไรอันนี้แหละที่เราจะต้องมาขอแบ่งทรัพย์จากพระพุทธเจ้าเพื่อจะเดินทางต่อไปนะอย่างน้อยก็ไม่ทันได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ขอให้ตามทันพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปก็ยังดี หลายท่านบอกว่าจะขอในองค์นี้แหละบางเงนก็อนุโมทนาด้วยถ้าทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องเผื่อสเสบียงทางด้วยนะว่าเรายังต้องเดินทางไกลทีนี้สําหรับผู้ยังเดินทางไกลเนี่ยจำเป็นมากคืออริยทรัพย์ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลสัพย์คือเิริและโอตตะปะทีนี้ทรัพย์อันนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ขณะไหนที่ใช้ทรัพย์อันนี้อย่างเป็นที่หมายคือว่าถ้าไม่มีทรัพย์นี่เจ๊งแน่ล่มจมแน่วินาศแน่ ชินาศแน่ชีพหายแน่ถ้าไม่ใช้ทรัพย์ตรงนี้ถามว่าตอนไหนตอนใกล้จะตายตอนนั้นแหละจําเป็นมากที่จะต้องถ้าไม่มีทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยประหารอย่างเดียวนะนะประกันไม่ได้ห้ามเยี่ยมห้ามประกันโดยประการทั้งปวงโปรยทีก็อบายนู่นนะเพราะฉะนั้นก่อนจะตายเนี่ยนะเราถ้าเรามีทรัพย์จริงเราก็ต้องมาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าสิเราเป็นผู้มีทซั์คือศรัทธาในาพระพุทธเจ้า ในบรรดาผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะสังเกตดูนะปลื้มใจไหมเวลาสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าถ้าปลื้มใจนี่แสดงว่าศรัทธาที่มีในพระพุทธเจ้าเป็นทรัพย์ของเราแต่ถ้าสวดไปก็เฉยๆ น, นะก็สวดให้มันหมดเวลาไปอย่างนั้นแหละถ้าย อ, อย่างนี้เนี่ยโอ้โหอย่างจนอย่างแท้จริงเห็นคนอื่นนับตังก็ไม่ใช่ตังของเราอ่ะนะนี่ก็อริยท ร, รัพย์เหล่านี้สําคัญมากซึ่ง โดยเฉพาะที่สําคัญใช้มากจริงๆคือเวลาก่อนจะตายเพราะก่อนจะตายมันไม่ใช่ขาดใจสิ้นเดียวใช่ไหมเตียงสุดท้ายเนี่ยสมมติว่านอนเกือบตายเนี่ยห้าชั่วโมงก่อนตายคิดอะไรคิดถึงประวัติเก่าๆของตัวเองใช่ไหมที่ไม่ค่อยจะหวานชื่นเท่าไหร่นึกถึงแต่ความชั่วทางกายวาจาใจนี่แม่พระเรช่วยไม่ได้ในตอนนั้นนะ่ะเพรานจะต้องมาไอ้นี่ห้าชั่วโมงสุดท้ายสิบชั่วโมงสุดท้ายหรือว่าเดือนสุดท้ายที่อยู่เตียงมรณะเนี่ยนะ จะได้ละลึกถึงทรัพย์ของเราว่าเราก็มีเครื่องปลื้มใจเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระองค์มีคุณธรรมเช่นนี้เช่นนี้ตามที่สติปัญญาเราจะระลึกได้ประกาศถึงว่าเออเนี่ยคือทรัพย์ที่จะพาข้ามอบายได้เพราะว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบาย ที่เรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่จําเป็นจริงๆอย่างแท้จริงเลยเนี่ยนะคือก่อนจะตายเนี่ยนะเพื่อจะข้ามอบายแต่ถ้าตอนนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเพื่อข้ามอกุศลถ้าใกล้จะตายเนี่ยเพื่อเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเพื่อข้ามอบายทีนี้ถ้าหากว่าเราละลึกถึงพระพุทธเจ้าละลึกถึงคุณของพระองค์เท่าไหร่ <point> จะต้องย้อนกลับมาห HP าพระธรรมทุกครั้งไปเพ <painted> ราะพระธรรมนั่นแหละเป็นธรรมเอ่อเป็นสิ่งที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็น พระพุทธเจ้าทําให้พระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์เห็นพระธรรมพระธรรมอันนั้นก็คืออริยสัจธรรมอริยสัจธรรมนั้นแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มใช่ไหมสี่กลุ่มใหญ่กลุ่มที่หนึ่งเป็นปรินญาญาธรรมเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้นั่นคือทุกขอริยสัจ ท, ที่พระองค์ก็กําหนดรู้แล้วกําหนดแล้วเบ็ดเสร็จแล้วไม่มีเหลือแล้ว ส่วนอย่างที่สองก็คือประหารตประธรรมทาที่ควรละกิเลสพันห้าตันหาร้อยปบาปอากุศลมีประมาณเท่าไหร่มีประการใดๆพระองค์ก็ละโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็อย่างหนึ่งที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าส่วนที่ดับสงบระงับแห่งกองทุกทั้งมวลนะนั่นคือที่สำรอกตันหาที่คลายตันหาเป็นที่เพิกถอนแห่งอาลัยเป็นที่ตัดไปแห่งวัตะเป็นที่สิ้นไปแห่งวตตะ ซึ่งได้แก่นิโรสัจจะเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งทำให้แจ้งโดยโสดาปฏิพนสกาธาคามีพ้นอนาคามีพ้นหรือทำให้แจ้งโดยอรหัตตผลทำให้แจ้งโดยพระสมาบัตโดยประการทั้งปวงพระนิพพานเหล่านั้นพระองค์ก็ทำให้แจ้งโดยอารมณะปัจจัยแห่งมรรคผลของพระองค์แล้วขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ที่เจริญคุณธรรมอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ คุณธรรมที่พระองค์เจริญนั้นก็คือภาเวตปรธรรมภาเวตปรธรรมก็คืออรรยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือที่เรียกกันย่นย่อว่าไตรสิกขาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาสิกขาสมเหล่านี้ถ้ามาเรียงก็คือวิสุทธิเจตนั่นเองอนนันวิสุทธิเจตหรือจะเรียงในปริยายใดๆก็ได้แต่นี้เราเรียนวิสุทธิมรรคก็ชื่อว่าขอเรียงตามวิสุทธิเจตประการ ที่ท่านยกมาจากข้อความในรัฐวินีทสูตรมาในวิสุทธิเจเนี่ยนะที่เป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุมรคผลนิพานซึ่งเรียงตามศีลสมาธิและปัญญาเรียงตามอธิศีลสิกศิขาที่จิตสิกขาและอธิปัญญาศิกขาแต่ถ้าเรียงตามมรคมีองแปดต้องเรียงปัญญาศิกขาศีลและศิขาและจิตสิกขาเพราะว่าสัมมาธิฏฐิสัมมาสังกัปะเป็นปัญญา สัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเป็นเป็ น, นเป็นส ม, มาธิหรือเป็นจิตสิกขาสิกขาทั้งสามเหล่านี้เนี่ยนะเชื่อว่าเป็นประตูแห่งพระนิพพานประตูแห่งอมะตะหรือผู้ใดปรารถนาพระนิพพานจําต้องหาประตูประกอบไปด้วยองค์แปดนี้ให้พบองค์เดียวไม่ได้นะต้ององค์แปดนะ่ยนะ ต้องประตูอันประกอบไปด้วยองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นทีนี้สัมมาทิฏฐินี่มีความสําคัญแค่ไหนที่จะทําให้เปิดประตูแห่งพระนิพพานได้เห็นไหมก็ความในปฐมสุริยุปะมะสูตรแปลเป็นภาษาไทยว่าพระสูตรที่อุปมาด้วยพระอาทิตย์สูตรที่หนึ่งกล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่จะขึ้นก่อน สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนคือแสงเงินและแสงทองฉั้นใดเดยสังเกตไม่ยามเช้าเวลาสว่างสว่างขึ้นมาเนี่ยดูจากอะไรดูจากแสงเงินและแสงทองอยู่กรุงเทพก็ดูจากแสงไฟอย่างเดียวนะกรุงเทพบางทีก็ไม่ค่อยสังเกตต้องดูที่ฟามาที่ก็ไฟปิดบังหมดนะนะแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเป็นต้นจะนึกออกดีแสงเงินแสงทองเนี่ยนะแสงทองเออแสงเงินกับแสงทองอันไหนสว่างกว่ากัน เช้านี่จะเป็นแสงทองเสร็จแล้วก็แสงเงินเนี่ยนะก็แสงเงินนี่มันสว่างสีขาวใช่ไหแสงทองก็ออกเหลืองๆอ่ะนะทีนี้สิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนแห่งการตรัสรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงก็คือสัมมาทิฐิฉันนั้นเหมือนกันสัมมาทิฏฐินี่ท่านถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่จะทำให้เห็นอริยสัจสีประการนะ ตัวในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรู้อริยสัจอริยสัจทั้งทุกข์ควรกําหนดรู้สมุทยัยควรละนิพพานควรทําให้แจ้งมรรคควรเจริญไอการที่จะเห็นอริยสัจนั้นเบื้องต้นที่จะทําให้เห็นอริยสัจก็คือสัมมาทิฐินี่คือปัญญาสัมมาทิฐิก็เป็นชื่อของปัญญาอันภิกษุผู้มีสัมมาทิฐิหรือผู้มีความเห็นชอบ พึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกจักรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยจักรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธจักรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธค า, ามินีปฏิปทาพันสัมมาทิฐินั้นเบื้องต้นแห่งเป็นอะไรนะเป็นบุคพนิมิตแห่งการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแล้วสัมมาทิฐิมีกี่อย่างข้อแรกกรรมสศกตาสัมมาทิฏฐิ กรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิรู้ในความที่เราทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญรู้บากใครผู้รับมรดกทายาทแล้วว่าผู้รับมรดกก็เรานั่นแหละเป็นผู้รับมรดกหวังว่าจะได้รับมรดกบุญ <c oughs> เมื่อเราทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเช่นนี้ว่าถ้าถ้าเราทำทุจริต กายทุจริตวัจจีทุจริตเนี่ยนะทุจริตสามเหล่านี้ให้ผลเป็นอะไรให้ผลเป็นทุกข์ให้ผลเป็นความยากความลําบากถ้าเราประพฤติสุจริตสุจริตทั้งหลายก็ให้ผลเป็นสุขสุขในโลกนี้ด้วยสุขในโลกหน้าด้วยแล้วก็เป็นเหตุใกล้แห่งการตรัสรู้ธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์ด้วยพันสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่แยกแยะว่าสุจริตกับทุจริตอะไรให้ผลเป็นสุขอะไรให้ผลเป็นทุกข์ แล้วเราทั้งหลายเป็นผู้เสวยผลแห่งสุจิติและทุจริตตที่ได้กระทำไปเมื่อแยกแยะอย่างนี้ได้เนี่ยนะผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้จึงจะเจริญศีละวิสุธทธิได้ดีไม่ไมการศึกษาพระธรรมวินยัยเราเนี่ยรักษาศีลเพื่อเอาใจผู้อื่นแรกๆเลยนะรักษาศีลเอาใจคนอื่นกลัวคนอื่นเขาจะว่าเราบ้างกลัวคนอื่นเขาจะตาหนิเราบ้ง เดี๋ยวเขาว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเขาว่ากลัวรักเหมือนรักษาศีลเอาใจคนอื่น <le> แต่นานๆาเข้ารักษาศีลเอาใจใครเอาใจตัวเองเ <le> พราะรู้ว่าถ้าเราไม่มีศีลเราเดือดร้อนแน่อ น, นะเราจะทําความทุ่ศีลให้เราเดือดร้อนไปถึงไหนเราอยากเอาใจตัวเองไม่อยากให้ตัวเองเดือดร้อนก็เลยต้องรักษาศีลต้องสํารวมกาย น, นะความสํารวมทางวาจาทําอย่างไรตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลัง พูดอะไรตัวเองจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังการสำรวมที่ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนในภายหลังนั่นแหละเรียกว่าผู้มีศีลเพราะผู้มีศีล ร, รู้เลยว่าสิ่งที่ทำคำที่พูดจะนำมาซึ่งความสุขโสมนัตหรือนำมาซึ่งทุกและโทมนัตถ้าทุศีลอย่างไรเสียก็ต้องนำมาซึ่งทุกและโทมนัตถ้ามีศีลอย่างไรก็ต้องนามาซึ่งสุขและโสมนัตรวมๆแล้วในโลกนี้ ยามใดเมื่อเรามีทุกข์และโทมนัตเมื่อนั้นให้รู้ว่าเป็นผลมาจากความทุศีนถ้าหากว่าสุขโสมนัตใดเกิดขึ้นที่เกิดความสบายใจขึ้นมานั่นเป็นผลแห่งความมีศีนเราก็มาหวนระลึกนึกถึงศีนที่เราทำเพราะศีนเนี่ยเป็นเป็นเหตุที่จะทำให้เราประกอบด้วยสุขโสมนัตหรือจะเป็นเหตุให้ประกอบด้วยทุกข์และโทมนัตเนี่ยนะ สุกโสมนัททุกโทมนัทก็มาจากสุกโสมนัทมาจากศีลทุกโทมนัทมาจากความทุศีลนั้นศีลเหล่านี้คือศีลวิสุทธิเพราะเรารักษาศีลเพื่อเพื่อใครเพื่อผู้ใดก็เพื่อเรานั่นแหละเพื่อตัวเองแต่ผู้ที่รักษาศีลผู้นั้นชื่อว่าไม่เบียดเบียนตนชื่อว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย พันศีนีนคค่คือทรัพย์ของเรานะศีลคือทรัพย์ของเราเรามีทรัพย์คือเราให้ชีวิตเป็นทานเรามีทรัพย์คือให้ทรัพย์สินของผู้อื่นของผู้ใดก็จงเป็นผู้นั้นให้ความปลอดภัยในคู่ครองของผู้อื่นทั้งหมดให้ความสัตย์คําจริงให้ความไม่เลื <S <S you know exactly? ้เรือนไม่ฟั่นเฟือนศีลเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยเป็นทรัพย์ของเราเป็นทรัพย์ที่ใช้ในโลกนี้เป็นทรัพย์ที่ใช้ในโลกหน้าทรัพย์เครื่องปลื้มใจใดๆเสมอด้วยศีล ไม่มีคนที่มีเครื่องประดับอย่างอื่นนะ่าระแวงระแวงใไหมเดี๋ยวพวกมาฉกเอาไปนะจะไปใส่ผิดที่ก็ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขาหยิบเขาฉวยเอาไปแต่ผู้ประดับด้วยทรัพย์คือศีลอยู่ที่ใดก็พาสุขอยู่ที่ใดก็เกษมไม่กลัวโดยที่สุดแม้ความตายเพราะศีลเป็นเหตุใกล้แห่งสวรรค์รู้อยู่แล้วว่าถ้าตายด้วยศีลพระธทรารูปหนึ่งท่านบอกว่าท่านไม่สงสัยเลยว่าถ้าท่านตายตอนนี้มีสวรรค์เป็นที่ไปท่านไม่สงสัย แต่รังเกียจหลือเกินที่ตายอย่างคนมีอาสวะท่านว่านันนะเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องการเจริญข้อปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลพันสวรรค์นี่ก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยนะของชั่วคราวไม่ได้ดีจริงอะไรหรอกจะว่าดีก็ดีดีสำหรับคนเดือดร้อน แต่ก็ระยะบ้านปลายแล้วก็ไม่ได้ดีจริงอย่างไรเสียก็ต้องเวียนกลับมาสู่อบายทุกติวินิบาตนะรกอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เอาศีลเป็นบาตรที่จะทําให้ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะมันเมื่อเรามีกรรมมศกตารู้ถึงเหตุรู้ถึงผลรู้เหตุรู้ผลรู้กรรมรู้ผลของกรรมอย่างนี้ดีศีลนี่จําเป็นที่สุดทีนี้ศีลเนี่ยนะนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจทํายังไงจะรักษาใจไม่ให้ร้อนใจได้ลนะ่ะก็เพื่อจะกําจัดอภิชากับ โทมนะัสก็ต้องเจริญเมฆคำวิตกเจริญอัพยาปาท้วิตกเจริ ญ, อ, าาารญอสุภาษเจริญเมตตาพุทธานุสติเราก็เจริญเป็นแล้วใช่ไหมเระลึกถึงศีลก็เป็นที่นี้อสุภาษกับเมตตาท่านโบราณท่านยึงสอนให้เจริญสัพพะทักกะกรรมฐานกรรมฐานที่จําปรารถนาในที่ทั้งปวงสี่ประการข้อแรกพุทธานุสติข้อสองเมตตาอสุภาและมรณะเนี่ยนะพุทธานุสติเมตตาอสุภามรณะ เพราะันถ้าใครที่เจริญกรรมฐานเหล่านี้ได้ดีเนี่ยนะจิตก็ไม่ต้องเดือดร้อนจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านนำมาซึ่งความสุขและสมนัตในภายหลังนี้ผู้ที่มีกรรมสกตาปัญญาดีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าเราบอกว่าอยวะัตาะนี่มันไม่ไหวจริงๆเราเน่ใจได้ยังไงนะเวียนไหวาตายเกิดเราจะรักษาศีลได้ตลอดไปชาตินี้ที่มีศีลอยู่บ้างก็เพราะคุณของพระพุทธเจ้าหรอกเนี่ยนะ ถือว่าศีลที่มีอยู่นี่แบ่งมรดกแบ่งทรัพย์เล็กๆน้อยๆมาจากพระพุทธเจ้าทําให้ไม่เดือดร้อนศรัทธาที่มีอยู่ก็ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้ารอกนี่นะถ้าพบต่อต่อไปเราไม่เกิดทันพระพุทธศาสนาอะไรจะเกิดขึ้นแน่ใจนะว่าเกิดชาติหน้าจาพะพบพุทธศาสนาคุณเด่นพงเม่นมั่นใจไหมว่าเกิดมาใหม่จะพบพระพุทธศาสนาอีกอนะนะขอมาไม่แน่ใจหรอกเอาไม่แน่ใจเหมือนกันน ะ, ะแสดงว่าคิดคล้ายกันเรื่องนี้ ถ้าเกิดมาใหม่เราคิดหรือว่าเราจะมีพระรัตนตรัเป็นสาระไม่รู้ว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปโบสถ์ไหนก็ไม่รู้โบสถ์ม่รุ้โบสถ์ทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมไม่มีไม้อะไรป่าโป้ไ ป, โ, ปโม่ก็ไม่รู้่นะเพราะเราไม่รู้เลยแล้วก็สมัยนี้รับที่มากเหลือเกินแม้แต่พุทธศาสนาเองก็รับที่เยอะเหลือเกินถามว่าเราจะมาในลักษณะไหนเมื่อมาเกิดอย่างนั้นเรามั่นใจหรือว่าเราจะรักษาศีลได้ทูศีลที่ไหนประตูอบายก็มีที่นั่นทูศีลที่ไหนเปิดประตูนรกไว้ตรงนั้นน่ะ มันค่าสัตว์ที่ใดนะของมานึงนึกบางแห่งนะโอ้โหเนี่ยประตูนรกอยู่แถวนั้นนะแต่ว่าพื้นที่ประตูนรกมันไม่ค่อยกว้างเท่าประตูสวรรค์ทําไมรู้ไหมพราะไปไหว้พระเจดีย์ไว้เยอะแล้วประตูสวรรค์มีมีมากประตูนรกมีละแวกเดียวอย่าไปคิดถึงแถวนั้นเลยมากๆนนึกต้องเรียกออกมาทําปริญญาประตูอบายแน่ก็เราก็แยกออกเลยนะประตูนรกอยู่ตรงไหนประตูสวรรค์อยู่ที่ใดแต่ขณะเดียวกันนี่ชาตินี้นะและชาติหน้าล่ะ ชาติหน้าชาตินี้เรามีสารณะใช่ไหมเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่น่ากลัวสักเท่าไรแล้วชาติหน้าเรามีอะไรไปเราจะลึกถึงอะไรคิดหรือว่าเราจะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าคิดหรือว่าชาติต่อไปเราจะมีศีลคิดหรือว่าชาติต่อต่อไปเราจะมีสัพย์คือสุตตะสัพย์คือจาระรัพย์คือสติปัญญาพอที่จะรู้เหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกเหตุแห่งบุญเหตุแห่งบาปเหตุแห่ง ความดีเหตุแห่งความชั่วเมื่อเราไม่รู้เราไม่ปลอดภัยเลยเมื่อไม่ปลอดภัยเนี่ยจำต้องขวนขวายรีบเร่งมันประกอบความเพียรเพื่อให้พ้นจากภัยเหล่านี้การที่จะพ้นจากภัยเหล่านี้ก็คือการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั้นจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นภัยนะพันสัมมาทิฏฐิข้อที่สองเรียกอะไรวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ อนนฌะานสัมมาทิฏฐิเอาไว้ก่อนอ น, นะนัมาเอาวิปัสนาสัมมาทิฏฐิว่าวิปัสนาสัมมาทิฐินี่แหละเป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้รู้อริยสัจได้นะเพราะเป็นปฏิปทาเป็นเครื่องดําเนินเพื่อให้รู้อริยสัจเมื่อวานก็สนทนากัน น, นะหรือหลายครั้งก็สนทนาว่าถ้าผู้ใดบอกว่าที่นี่สมัคปฏิบัติก็บอกว่าเออถ้าปฏิบัติแล้วผมจะรู้อริยสัจได้ไหม ทำไมจึงรู้อริยสัจได้ถ้าอธิบายได้ว่าทำไมจึงรู้อริยสัจได้ตรงนั้นน่าปฏิบัติน่าทําน่าน่าเจริญตามแต่ถ้าทําแล้วโอ้โหดูทําไมมันไกลอริยสัจไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันหนักๆเข้าก็อย่าพูดถึงอริยสัจเลยให้รู้เถอว่านั่นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสสนาอนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแน่นอนกล้ายืนยันเพราะวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อรู้แจ้งแทงตลอด อริยสัจเพราะสูตรเขามีอยู่แล้วอยู่ว่าสัมมาทิฏฐิอันเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีอรหัตผลเป็นที่สุด น, นะมีพระนิพพานเป็นที่สุดถ้าเจริญถูกเขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าทําไปทํามาแล้วก็เอ๊ะทาไมมันไกลอริยสัจจังเลยไม่เห็นใกล้ชิดอริยสัจเข้าเลยนั่นไม่ถูกแน่นอน แล้วอริยสัจเป็นไงนไอตรงนี้แหละที่จะต้องมาทําความเข้าใจนี้ทุกขอริยสัจนี้สมุทัยอริยสัจนี้นิโรธอริยสัจนี้ทุกขานิโรธคาขาไม่มีปฏิปทาอริยสัจเมื่อวานได้กล่าวถึงอุทยพ ย, ายาัญาณนะอุทยพยญาณโอ้นี่เกือบบรรลุอริยสัจอยู่แล้วนะเนี่ยโดยการศึกษาโดยการฟังทีนี้เมื่ อ, อ การรู้เหตุเกิดรู้ความดับเนี่ยนะเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้ใกล้อริยสัจบรรลุอริยสัจเนี่ยเป็นอย่างไรถ้ากล่าวตามวิปัสนาญาณเนี่ยนะญาณที่หนึ่งกำหนดรู้ทุกสัตว์ทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะเป็นการกําหนดรู้ทุกสัตว์การทําปริญญาในทุกสัตว์การวิจัยทุกสัตว์ตังขาวิตรณวิสุทธิเป็นการกําหนดสมุทัยสัตว์กำหนดสมุทัยสัตว์ มคามาัคคย า, าณทัศนวิสุธทธิเป็นการกําหนดมัคคสัตมัคคสัตจะซึ่งเราก็จะเรียนถึงต่อไปแต่ข้อความที่ที่ควรเอามาคิดเนี่ยนะว่าผู้ที่รู้เหตุเกิดและก็รู้ความดับเนี่ยนะทำให้มีปัญญารู้อะไรนะห้ากลุ่มเมื่อวานมีอะไรบ้างถ้ารู้เหตุเกิดความดับนะต้องเอาธรรมะห้าอย่างมาเป็นเครื่องวัดอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย หนึ่งจะต้องเข้าใจถ้ารู้เหตุเกิดความดับจริงต้องเข้าใจอริยสัจว่เออขใจต้องเข้าใจโดยปัจจัยและโดยขณะข้อแรกนะหนึ่ง้หกสิบสามต้องสามารถวิจัยออกเลยใช่ไหมว่าโดยปัจัยกับโดยขณะอย่างที่สองต้องรู้สัจจะสามปฏิจจสมุปบาทสี่นยยะห้าลักษณะตรงนี้คือสาระนะเป็นเครื่องวัดว่า สิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราเจริญเนี่ยใกล้ต่อความจริงเหล่านี้หรือไม่เพราะว่าการสุตะนี่ซึ่งเป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะถ้าเรามีปัญหาในการปฏิบัติเราก็เอาทรัพย์คือสุตะตรงนี้มาเป็นเครื่องตรวจสอบเราว่าที่เราปฏิบัติเราเจริญนี้ใกล้ต่อความจริงเหล่านี้ไหมข้อแรกก่อนจช่ไหมว่าโดยปัจจัยกับโดยขณะโดยขณะคืออะไร ตัวขณะคืออะไรคือตัวขันห้านั่นแหละคือตัวขณะขันห้ามีสองขณะขณะหรือลักษณะนี่อันเดียวกันนะขณะกับลักษณะหมายถึงกันเดียวกันขันห้ามีลักษณะเกิดและก็มีลักษณะเสื่อมแต่ลักษณะที่เกิดก็ต้องเกิดด้วยปัจจัยถ้าจะเสื่อมถ้าจะดับจริงก็ต้องดับที่ปัจจัยเนี่ยนะพันธุ์เขาจึงแสดงโดยปัจจัยกับโดยขณะสัมพันธ์กัน อย่างเช่นกรรมมาชรูปเนี่ยมันมีอุปาทะทีติพังคะใช่ไหมทำไมอุปาทะของรูปจึงเกิดเพราะอะไรเพราะปัจใจปั จ, จัจทำให้อุปาทะขณะของรูปเกิดอุปาทะขณะของรูปเกิดตั้งกั่เมื่อไหร่เกิดตั้งแต่ปฏิสนธิจิตอุปาทะนะอุปาทะเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจิตทั้งอุปาทะขณะทีติขณะพังคะขณะกรรมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิต เมื่อกรมชรูปเกิดทุกอนุขณาจิตอะไรเป็นตัวชี้ให้เกิดเป็นตัวสั่งให้เกิดเป็นตัวคอนโทรนให้ให้กำมชรูปเกิดขึ้นอะอะไรกำอวิชาตันหากรรมคือตัวปัจจัยที่ทําให้กรมชรูปเกิดทุกอนุขณาจิตกรมชรูปนี่มันน่ากลัวมากมันเกิดทุกอนุขณาจิตนี่มันน่ากลัวแต่มันก็เสื่อมทุกอนุขณะจิตอีกเหมือนกันนะเมื่อเกิดทุกอนุขณาจิตเสื่อมทุกอนุขณาจิต ทีนี้ถ้าจุติจิตเกิดแล้วปฏิสนธิเกิดแ ล, ล้วกรรมาชรุป่มโผล่ที่ไหนกันนี้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยหน้าหนักใจนะคงไม่รู้นะขอมานี่ฟอมากเลยตรงนี้คิดและใจฟอเลยนะถ้าเกิดกรรมาชรูปมโล่อีกทีหนึ่งตัวเท่าพระเทวทัต ney ุ่งเลยอะถูกเสียบหรือตัวเท่าปลาบึกเอะปลาปลาฉลาเท่าประหวานเนี่ยเดือดร้อนแน่ตัวเท่าช้างนะนะกรรมาชรุ่แบบช้างขึ้นมายุ่งเลย คือเนื่องจากว่ากรรมชรูปมันเกิดทุกอนุขณะจิตเนี่ยนะมันจึงอันตรายมากๆเลยแล้วถามว่าเอาอะไรมาหยุดยังไม่ให้กรรมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตได้ อ, อะไรได้ไหมสมัยนี้เรียกว่าอัตตาวินิปาตกรรมอัตตาวินิบาตก็คืออะไรฆ่าตัวตายอันนี้หมายถึงว่าทําลายกรรมชรูปชาตินี้นะแต่ชาติหน้าไม่มีไม่มีอารยมร์อะไรมาห้ามหรอกเพราะตัวที่ทําลายไม่ให้กรรมชรูปเกิดที่ตัวจริงแท้ๆคืออรหัตตมร์ โซดาปฏิมักเนี่ยก็ทำลายแต่ทำลายภพที่แปดสก่ทาคามีมักทำลายสองถึงหเป็นต้นนะอนาคามีมักทำลายกรรมชรูปในในกามมพอรหัตตมักเนี่แหละจึงทำลายกรรมชรูปในภพทั้งปวงมันไม่มีใครหยุดยัง้งการเจริญเติบโตของกรรมชรูปทุกๆอนุขณะจิตได้ถ้าไม่ใช่อริยมักอริยมักถ้าไม่ใช่อริยมักนะไม่ใช่หรอกที่จะ ทำลายประหารกรรมชรูปได้เมื่อกรรมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตเช่นนี้มันเขาเรียกว่ารู้ว่นนี้กรรมชรูปที่เกิดกรรมชรูปเกิดเพราะปัจจัยเหล่านี้ถ้าจะดับกรรมชรูปอย่างแท้จริงไม่ให้กรรมชรูปเกิดทั่วอนุขณะจิตต้องเจริญอริยมรรคเพื่อไปดับปัจจัยซะเพื่อไปดับปัจจัยมนผู้ที่รู้โดยปัจจัย รู้ว่าอวิชชาตันหากรรมอาหารเป็นตัวทำให้กรรมชรูปเนี่ยเกิดขึ้นอวิชชาตันหากรรมในฐานะผู้ทําให้เกิดอาหารในฐานะผู้บํารุงเลี้ยงดูลักษณะของกรรมชะูปก็เจริญเติบโตมาอย่างนี้แหละอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้กรรมชะูปเจริญเติบโตอันนี้เรียกว่ารู้เหตุเกิดของกรรมชรูปที่เป็นมนุษย์แล้วเหตุเกิดของกรรมชะูปในนรกละ่ะ ก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันนะเหตุเกิดกรรมเหตุแห่งกรรมชรุปในเปรตเหตุของกรรมชลุปในเดรชาณเหตุแห่งกรรมชลุปในสุรกายเหตุวิบากกรรมชรุปของมนุษย์วิบากกรรมชรุบของเทวดาวิบากกรรมชลุบของพรหมเนี่ยมันเกิดได้ยังไงมันดำรงอยู่ได้อย่างไรก็อวิชาตันหากรตำอาหารท่านรกนี่อยู่ด้วยอาหารอะไรกลืนน้ำลายตัวเองไงนั่นแหละอาหารของสัตว์นรกหรือไม่ก็อะไรนะ โอ้ยกรรมมันเก่งนะกรรมเนี่ยอยู่ด้วยกรรมมาอยู่ด้วยกรรมนะนะอยู่ด้วยกรรมไม่ตายตราบเท่าที่ไม่สิ้นกรรมนะนะของเปรตแ่ะกลืนน้าลายตัวเองเองนะั่นแหละหรือรอผู้มีบุญเขาให้อาหารตายนะนะถ้าของเดรัฉานเดี๋ยวจะไปเลี้ยงอาหารปลาอีกแล้วอย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะนะถ้าเป็นของมนุษย์ล่ะอยู่ที่ตลาดเนี่ยนะยที่เขายกมาให้อะนะ่ะไรตรงนั้นนอะ แล้วของเทวดาเขายัางช่วยในะมีสุทาโพชนะแล้วจะมีอาหารเทวดากินสักกี่มือนะ้อเชียวเนาะเพราะว่ามือวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาเนี่ยนะโอ้ยอยู่ตั้งนานแล้วมันอายุจะกี่วันเชียวนะถ้าเทียกับ ว, วะะัดอันยืดยาวนานพ้นกรร ม, มชรูปกรร ม, มชรูปสร้างทุกอนุขณะจิตอาหารชรูปเนี่ยสําหรับรูปกรร ม, มชรูปเกิดมาต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงเนี่ยนะ แล้วตัวรูปเหล่านี้เองเนี่ยคือวัตถุแห่งโซกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาต์มันการเกิดของสิ่งเหล่านี้มหาภัยดีๆนี่แหละนะมันมหาภายัยมันมันวุ่นวายมันเดือดร้อนจริงๆนี่ทํายังไงจะดับมันได้ละ่ะนะจะต้องดับที่อวิชชาดับตัณหาแล้วก็ดับดับกรรมถ้าดับอวิชชาตัณหาแล้วกรรมก็ไม่นําเกิดถ้ากรรมไม่นําเกิดก็ไม่ต้องมากินอีกแล้ว ไม่ต้องมากินไม่ต้องมากินไฟไม่ต้องมากินน้ำทองแดงไม่ต้องมากินข้าวไม่ต้องมากินซุปไม่ต้องมาอะไรซากอย่างเพื่อบำรุงดูแลรักษาไม่ต้องเพราะอะไรเพราะกรรมไม่นำเกิดณนะพบต่างๆแล้วดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูปเพรานันตอนแรกเลยจะต้องวิจัยขันห้าพร้อมทั้งปัจจสมุทฐานให้ดีๆเยกจาแนกแย ะ, ยะ รู ป, ปรขันเนี่ยที่เกิดจากสมุทฐานต่างๆแล้วรูปเหล่านี้พ่ออะไรเกิดรูปจึงเกิดถ้าอะไรดับรูปจึงดับถ้ารู้การเกิดว่าตัวปัจจัยเรียกว่ารูปปัจจัยตัวขันที่มีลักษณะเกิดเรียกว่าลักษณะลักษณะตัวนี้เรียกว่านิพพติลักษณะนิพพติลักษณะแล้วขันเหล่านี้ถ้าดับนะถ้าปัจจัยดับอวิชชาตันหาดับกรรมดับ รูปก็รูปก็ดับเพราะไม่มีการสร้างอีกต่อไปถ้าไม่มีการสร้างอีกต่อไปก็ไม่ต้องพึ่งอาหารแล้วแต่ที่นี้พูดแบบอันนั้นแบบแบบแบบระดับสูงสุดแต่ถ้าระดับธรรมดายังไงก็ตายวิปริณัมลักษณะยังไงก็ตายมีตายยังไงตาก็ต้องบอดมีหูก็ต้องหนวกมีจมูกก็ต้องเสียมีลิ้นก็ต้องหมดสภาพมีร่างกายก็พร้อมที่จะตายเพราะฉะนั้นนั่นคือวิปริณามลักษณะของ สังขารทั้งหลายตอนนี้มาพยายามชี้เน้นกรร ม, มชรูปเป็นหลักเพราะกรร ม, มชรูปเกิดจากอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมโดยตรงนะส่วนจิตตะชรูปอุตตชรูปนั้นโดยอ้อมอ้อมก็ไม่ใช่อ้อมไกลหรอกใกล้ๆแต่แถวนั้นแหละโตใกล้ๆกันนั่นแหละนะแต่ว่าตัวกรร ม, มชรูปตัวหลักๆใช่ไหมถ้าไม่มีกรร ม, มชรูปเกิดในภพต่างๆแล้วจําเป็นไม่ต้องมีจิตตชรูปไม่จําเป็นอะไร สรุปมันการรู้โดยปัจจัยกับโดยขณะนี้สําคัญมากมันรู้เกิดดับจริงๆต้องเข้าใจโดยปัจจัยกับโดยขณะว่ารูปที่เกิดขึ้นเนี่ยปัจจัยตัวใดทําให้รูปเกิดแล้วที่มันดับเพราะดับปัจจัยตัวใดรูปเหล่านั้นจึงดับอันนี้คืาเรียกว่ารู้เกิดดับที่แบบมีปัญญาเนี่ยนะรู้เกิดดับแบบมีปัญญาถ้ารู้เกิดดับแบบไม่มีปัญญาคืออะไร ก็เหมืออะไรโทรทัศน์มันอยู่ๆมันก็ติดเองไหมแล้วมันก็ดับมันเองอย่างนี้นหรูป้ปะหรือเกิดดับแบบเคยเหตุเทศกาลจุดบรรทัดไหมประแปะแประแปะแประแปะอย่างนั้นไหมคือมันการรู้รู้เกิดดับนั้นจึงต้องรู้โดยปัจจัยกับโดยขณะให้ให้ดีๆให้ทําความเข้าใจให้แม่นยํา